อีกเรื่องหนึ่งในในกาละเมื่อเราเป็นดาบทอันเท้าสั ก, กัดเชื้อเชิญมาอยู่ในป่าเรากับราชสีและเสือโคร่งในป่าต่างก็น้อมเมตตาเข้าหากันอันนี้เป็นการเล่าสุวรรณสามแบบรวบรัดเนี่ยนะในสุวรรณสามจริยาตรงนี้เป็นเมตตาบารมีแล้วนะเน้นเป็นเมตตาบารมีกัมันพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพอเกิดเป็นเทรวสุวรรณสามอยู่ในป่าก็ทําให้เสือ ทำให้ราชสีมีเมตตาต่อกันได้เนี่ยคนนั้นจะต้องมีเมตตาขนาดไหนก็เราว่าแพทย์ขาดยังมีเมตตาต่อกันนะเราเข้าไปใกล้ราชสีและเสือโคร่งในป่าใหญ่ได้ก็ด้วยเมตตาเราเวทล้อมด้วยราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีกระบือกวางดาวแล้วก็หมู อยู่ในป่าใหญ่สัตว์อะไรอะไๆมิได้สะดุ้งกลัวเราเราก็ไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อสัตว์อะไรอะไรเพราะกําลังเมตตาคําจุนจึงยินดีอยู่ในป่าในกาละนั้นชนิดแล้วด้วยด้วยอนุภาพของเมตตาจึงไม่กลัวสัตว์สัตว์ก็ไม่กลัวท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายก็สมัครสมานสมักขีปรองดองกันอันนี้ชาติที่เป็นสุวรรณสามเนี่ยนะเรื่องราวของสุวรรณสามในอดีต พูดถึงประวัติพ่อแม่ของสุวรรณสามก่อนว่าในอดีตมีหมู่บ้านนายพรานคนหนึ่งนะบ้านนายพรานเนสา่าตัวนี้ก็คือเป็นพวกชาวประมงอ่ะนะตระกูลชาวประมงใกล้ฝั่งแม่น้ําไม่ไกลาจากกรุงพาราณสีณนะที่นั้นเนี่ยบุตรหัวหน้าของพรานหรือว่าชาวประมงนั้นก็ชื่อว่าทุกกูละใกล้ฝั่งแม่น้ําอีกฟากหนึ่งก็ได้มีบ้านพรานอีกบ้านหนึ่งบ้านนั้นก็มีลูกสาวของพรานหัวหน้าชื่อว่าปาริกา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 จะฟังไหนเป็นอะไรก็ช่างเถิดสรุปว่าจับแต่งงานในะที่สุดก็จับสมรสแต่งงานจนได้แต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้ก้าวลงสู่ทะเลคือกิเลสไม่ร่วมประเวณีอยู่ร่วมกันเหมือนพรหมอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วก็แต่งงานเสร็จแล้วก็ไม่อยู่ชั้นสามีภรรยาแต่ก็อยู่แบบเพื่อนนะนะขณะเดียวกันก็ไม่ทํากรรมของนายพรานฆ่าก็ไม่ฆ่าปลาก็ไม่ห้าเนื้อก็ไม่ล่า พ่อแม่ก็เลยพูดกับทุกูลว่าลูกรักลูกไม่ทํากรรมของนายพรานลูกไม่ราดทนะนาจะอยู่ครองเรือนน่ยลูกจะทําอะไรได้ลูกจะทําอะไรกินกันเนี่ยนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงกันนะหาปูหาปลาก็ไม่หากล้า ส, สัตว์ก็ไม่ล่ากินอะไรกันเนี่ยนะทุกูลก็บอกภาพ่อแม่อนุญาตลูกจะขอบวชโอ้ยแ้วก็บวบบวชเธอลูกบวชไปนะนะถ้าไม่บวชตายแน่เพาะั้นอดตายแนะ่บวชเธอไปแต่ก็จริงนะเด็กบางคนเนี่ยบางท้องถิ่นเนี่ยลักษณะเนี่ยอะไรก็ไม่ทํา ฆ่าก็ไม่ฆ่าหาปูห า, หาปลาก็ไม่หาก็อยู่เฉยๆอยู่บ้านทํางานไปวันๆหนึง่งอะไรก็ไม่ทำเนี่ยนะบอกเมื่อไหร่จะบวชนะรครับให้บวชบวชก็ยังว่านะอยู่ไม่นานก็ซื้อไปอีกทีนี้ย้อนกลับมานะว่าชนทั้งสองคือทุ ก, กูลกับปาริกาก็เข้าไปอยู่ในป่าหิมวันไปถึงในที่ที่แม่น้ำํำมิคสัมมตาไหลลงจากหิมมวันตัประเทศถึงแม่น้ํำคงคา นะเป็นแม่น้ําสายย่อยที่ไหลาจากป่าหิมะวันก็คือป่าที่มีหิมะนะ ก, ก็แปลว่าไห ล, าหลาจากภูเขาใหญ่ก็ตกมาสู่แม่น้ํำคงคาเลยแม่น้ํำคงคามุ่งหน้าไปทางมิขสัมมาตาก็เลยพากันขึ้นครั้งนั้นพิภพของเท้าส ก, กัดแสดงอาการเร่าร้อนเท้าส ก, กัดก็ทราบเหตุนั้นก็มีเทวบัญชาให้วิศณุกรรมไปสร้างอาสมณนะที่นั้นทั้งสองไปถึงอาสมนั้นแล้วก็บวช อาศัยเจริญเมตตาที่เป็นการมาวจรก็คือหมายค่าว่าเมตตาของท่านก็เป็นแค่มหากุศลเมตตาที่ยังไม่ได้ชานอะไรแต่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาทั้งคู่ณอาสมนั้นที่เท้าส ก, ก่าประธานแม้เท้าส ก, ก่าก็มาบำรุงสามีภรรยานั้นอยู่เสมอมาประจำมาคอยดูแลนะเรียกว่าคนดีผีดูแลวงั้นแท้วันหนึ่งเท้าส ก, ก, ก่สาก็ทราบว่าตาจากักษุของสามีภรรยาจักเสื่อม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 เพราะฉะนั้นในขณะที่นางปริภาชิกามีฤดูขอท่านจงเอามือลูบคล้ำท้องน้อยด้วยอาการอย่างนี้บุตรของท่านจะเกิดบุตรนั้นจักบำรุงท่านทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับไปทุกปูและบัณฑิตบอกเหตุนั้นแกนางปริกาขณะที่นางปริกามีฤดูก็ลูบคลํำท้องน้อยในกาละนั้นพระโพธิสัตว์ก็จติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในคันของนางปริกา ครั้นล่วงไป10เดือนนางปริกาก็คลอดบุตรมีผิวพันดุจทองคําตั้งชื่อว่าสุวรรณสามสามะ น, นะก็มีผิวเหมือนทองก็เลยชื่อว่าสุวรรณสามที่จริงถามว่าไอ้ลูกคลำท้องเฉยๆเนี่ยท้องได้หรือเขาบอกว่าด้วยเหตุผลหลายประการข้อแรกเนี่ยนะเหตุผลว่าทั้งสองเป็นผู้มีบุญหรือสีทั้งสองก็เป็นผู้มีบุญแล้วก็บุญของเท้าสักกะแล้วก็บุญของพระโพธิสัตว์คือเท้าวสักกะเนี่ยนะไปขอร้องพระโพธิสัตว์ว่า ขอให้ท่านลงไปเกิดเถอะท่านจะได้บำเพ็ญบารมีต่อไปนะเพราะว่าท่านจะได้ไปอยู่บำรุงบิดามารดาที่ที่ตาบอดนะก็พระโพธิ์เท้าสักกาไปขอร้องฟันด้วยบุญของชนทั้ง4ทําให้กิริยาอันนั้นเนี่ยทำให้เกิดลูกขึ้นได้นะี่นะมารดาบิดาเลี้ยงดูสุวรรณสามนั้นจนเจริญมีอายุได้16ปีให้สุวรรณสามนั่งในอาสมของตนเองไปหารากไม้และผลไม้ในป่า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 ไปเก็บผลไม้มาก็เหนื่อยนะเหงื่อท่วมทั้งตัวกลิ่นเหงื่อก็ออกจากร่างกายของมารดาปิดาที่ถือผลไม้ในปากกลับมายังโคนต้นไม้แล้วก็ยืนอยู่บนจอมปลวกตอนฝนตกนะ น, น, น้ำอันนั้นเนี่ยที่ปนกับเหงื่อก็หลนมาใส่ด้านจมูกของอสารพิษที่อยู่ในปล่องจอมปลวกนั้นอสารพิษโกรธจัดจึงพ่นพิษออกมาทั้งสองก็ตาบอด น, นะเพราะตาบอดก็ ค, คร่าครวญอยู่ พระโพธิสัตว์นี้ก็รอพ่อรอแม่ไม่กลับมาสักพีนะตอนหลังก็ติดตามไปว่าทําไมพ่อแม่ของเราชาเหลือเกินมัพ่อแม่ของเราเป็นอย่างไรเนาะก็เดินสวนทางและวไปทาเสียงร้องตะโกนหาพ่อแม่ไปเรื่อยๆพ่อแม่จำเสียงของสุวรรณสามได้ก็ทําเสียงตอบรับนะพอลูกมาใกล้ๆก็ด้วยความรักในลูกก็ห้ามว่าพ่อสวรรณสามตรงนี้อันตรายอย่าเข้ามาเลยลูก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 งูมันขูเนี่ยนะพ่นพิษออกไปส่วนอาสามพอฟังอย่างนั้นก็ร้องให้ร้องให้เสร็จแล้วก็หัวเราะนั่นร้รองให้ร้องให้ทําไมพ่อแม่ก็ถามว่าทาไมจึงร้องให้บอกที่ร้องให้บอกว่าพ่อแม่ในวัยอันสมควรตาก็บอดไปแล้วนะสงสารพ่อแม่ก็เลยร้องให้แล้วทำไมจึงหัวเราะหัวเราะว่า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 ถ่ยอุจาระปัสาวะก็ผูกเชือกเอาไว้เนี่ยนะผูกเชือกผูกเขาวันเอาไว้ว่าเดินไปตามนี้นะนะมีที่พักกลางวันที่พักกลางคืนก็ดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่นั้นมาสุวรรณสามก็ให้มารดาบิดาอยู่ในอาสมนํารากไม้พลาผลในป่ามาเลี้ยงดูมารดาบิดาตอนเช้าตรู่ก็กว่าที่อยู่ น, นาําน้าเอ่อนำของดื่มมาให้ตั้งของบริโภคไว้ให้แม้ไม้สีฟันได้น้ําล้างหน้าไปหาผลไม้ที่มีรสอร่อยมาให้ เมื่อบิดามารดาบ้วนปากเนี่ยนะหมายความว่าให้พ่อแม่กินอิ่มเบ็ดเสร็จหมดแล้วบ้วนปากเสร็จตัวเหลือตัวเองก็บริโภคไหวมารดาบิดาแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆเพราะอะไรเพราะคิดว่าพ่อแม่เนี่ยมีอะไรจะสั่งบ้างนะนะคิดว่าบิดามารดาเนี่ยจะมีสั่งอะไรแต่ว่าโดยพิเศษเนี่ยทั้งคู่ทั้งพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่มีปกติอยู่ด้วย เมตตาเพราะฉะนั้นก็สอนลูกให้ลูกเจริญเมตตาพันทั้งพ่อแม่ลูกทั้งสามคนก็มีปกติอยู่ด้วยเมตตาเจริญเมตตาตนัยสัตพัสสัตทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสัตทั้งหลายจึงไม่รบกวนสุวนรณสามเพราะทั้งหมดทั้งสามคนเนี่ยอยู่ด้วยเมตตาสัตว์จึงไม่รบกวนพระโพธิสัตว์ก็ไม่รบกวนสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างที่สัตว์ทั้งหลายไม่รบกวนพระโพธิสัตว์ทั้งฝ่ายต่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน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 เพราะฉะนั้นในที่อยู่ของพระโพธิสัตว์จึงมีแต่จิตใจที่อ่อนโยนต่อกันและกันเนี่ยนะแปลว่าบังแห่งบอกใช้คําว่ามองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักเรียกว่าปิยะจักสุมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รั ก, ร ก, าา ก, ก, ด, รกด้วยประการชนี้พระโพธิสัตว์นั้นด้วยอนุภาพแห่งเมตตาในที่ทั้งปวงจึงเป็นผู้ไม่กลัวไม่หวาดเสด็งไม่มีเวรมีปกติอยู่อย่างครม น, นะก็ไม่สะด็งไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะมองทุกคนเหมือนญาติตัวเองหมด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 ขนาด ส, งสิงสาราสัตว์ที่เหี้ยมโหดก็ยังมีเมตตาต่อกันได้จะกล่าวไปใยญยถึงสัตว์อื่นนะนี่พระเวสสันดรก็เหมือนกันนะท่านไปอยู่ในรัศมี48กิโลเมตรเนี่ยสัตว์ไม่เบียดเบียนกันเลยเนี่ยนะด้วยอนุภาพของเมตตาของท่านก็อย่าลืมว่าชาติเหล่านี้เนี่ยนะใกล้ๆจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะตอนท่านเป็นผู้ที่สั่งสมเมตตาอัปมัญญาเมตตาชาญมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วก็ลวเลยไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะมัน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 ความที่พระองค์อยู่ด้วยเมตตาภาวนาพระองค์ก็บอกว่าสัตว์อะไรๆไไม่ได้สะดุ้งกลัวเราแม้เราก็ไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อสัตว์อะไรๆเพราะเราอันกําลังเมตตาคําจุนจึงยินดีอยู่ในป่าในกาลนั้นคนที่มีเมตตาจริงๆเนี่ยอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยจะปกติจําไม่รู้สึกว่าเหงาเนะพราะมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนอนะเห็นเรียกว่าเห็นยุงบินก็ยังเหมือนลูกเราบินได้อะ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 ขณะเดียวกันคนที่เจริญเมตตาก็มีเมตตาต่อตัวเองด้วยความที่มีเมตตาต่อตัวเองก็สามารถจะอยู่อย่างผาสุกอธิบายว่าสัตว์อะไระไรแม้เป็นสัตว์ขี้ขาดมีกระต่ายและแมวเป็นต้นก็ไม่สะดุง้งไม่ตกใจกลัวเราแม้เราก็ไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อสัตว์อะไรอะไรไม่ว่าความกลัวไม่เกิดจากสัตว์เดรัจฉานมีราชสีเสือโครงเราไม่กลัวอมนุษย์มียักษ์เป็นต้นเราไม่กลัวมนุษย์หยาบชา้า มีมือเปื้อนไปด้วยเลือดสรุปว่าเราไม่ได้กลัวต่อสัตว์ใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์เพราะอะไรก็เพราะเรานี้อันกําลังเมตตาค้าจุนอนุภาพแห่งเมตตาที่เราบําเพ็ญมาตลอดกาลนานค้าจุนเราจึงยินดีอยู่ในป่าใหญ่ในกาละนั้นพระโพธิสัตว์นั้นปกติท่านแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงดูบิดามารดาเป็น อย่างดีเนี่ยนะศีลจารีศีลของท่านดีเยี่ยมวารเตศีลก็ดีด้วยก็บอกว่าคนที่มีศีลถึงที่สุดก็คือมีเมตตาเพราะศีลก็นํามาซึ่งอวิปปิสารปราโมทปีติปสัสสติสุขและสมาธิพันคนที่อยู่ด้วยเมตตาได้ก็แสดงว่าศีลเนี่ยดีเยี่ยมอยู่แล้วขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ศีลเว้นอย่างเดียวก็ยังประพฤติจารีตอุปถัมบิดามารดาเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีวันหนึ่ง จะนำพลาผลมีรถอร่อยมาจากป่าไหวมารดาไหวบิดาซึ่งพักอยู่ที่อาสมเนี่ยนะก็ปกติเนี่ยเวลาจากพ่อจากแม่ไปหาผลไม้ก็ไหวท่านก่อนกลับมาก็ไหวอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เหมือนกันวันก็คิดว่าเราจับไปหาน้ํามาก็แวทล้อมไปด้วยฟูงเนื้อให้เนื้อทั้งสองมารวมกันแล้วก็วางหม้อไว้บนหลังเนื้อนะนะทั้งสองมือก็ค่อยๆจับเอาไว้เนี่ยไม่ต้องแบกน้ําเองนะก็ให้เนื้อนี่แบกให้ ในสมัยนั้นพระราชาพระนามว่ากปินละยักษ์ก็คือพระราชาเมืองพระนาศีที่ครองราชาสมบัติเนี่ยพระองค์เนี่ยอยากสวยเนื้อกวางเป็นพระราชาที่มีปกติมีความสุขกับการล่าสัตว์เนี่ยนะอยากสวยเนื้อก็เลยมอบราชาสมบัติไว้กับมารดาสอดอาวุธทั้ง5เสด็จเข้าไปในป่าหิมะพานล่ากวางนะได้เนื้อก็สวยเนื้อเสด็จเที่ยวไปจนถึงแม่น้ํามิขสัมมาตาถึงท่าที่สุวรรณสามไปเอาน้ําโดยลําดับ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 แต่แล้วถึงถูกยิงอย่างนั้นก็ไม่ได้ะหนกตกใจคงแบกหม้อน้ำอยู่อย่างเดิมแล้วก็มีสติ ค, ค่อยๆโยกลงเกลี่ยซรายวางลงเอาไว้กำหนดทิศทางเสร็จแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางที่อยู่ของมารดาบิดา บ, บ้วนโลหิตออกจากปากกล่าวว่าเราไม่มีเวรกับใครๆเชื่อว่าเวรในที่ไหนๆก็ไม่มีแกเ ร, เราเราไม่เคยมีเวรกับใครเลยก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าใครนอยิงเราผูเ้เผลอ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 จะขอเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาปิดานะรายละเอียดในสุวรรณสามชาดกนั้นกว้างขวางเพราะตรงนี้เล่าเล่าให้ฟังแต่รวบรัช ก, ก็พอเสร็จแล้วพระราชาก็แจ้งพระองค์ให้แก่ดาบทและตาปัสสินีทร า, าบมารดาปิดาของสุวรรณสามบัณฑิตก็ปฏิสันฐานพระราชาก็บอกตามตรงว่าเนี่ยพระราชาพระองค์นี่แหละเป็นผู้ยิงสุวรรณสามจนสิ้นชีวิตแล้วก็ปลอบโยนดาบท ตาปะสินีหรือศีหญิงชายให้หายจากเศร้าโศกว่าข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองเช่นเดียวกับที่สุวรรณสามเลี้ยงดูท่านทุกอย่างแล้วแต่แก็ศรีก็รบเร้าให้พาไปหาลูกสุวรรณสามมารดาบิดาก็ไปที่นั้นแล้วก็พร่ำเพ้อรำพรันมีประการต่างๆแล้วก็คลําที่อกของสุวรรณสามก็รู้ว่าบนร่างกายของเราบุตรของเรานี่ยังมีไออุ่นอยู่ คงจะสลบไปเพราะกำลังของพิษก็คิดว่าเราจะทำสัจจะกิริยาเพื่อให้พิษออกก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าบุญอันใดที่พ่อสุวรรณสามทําแล้วแกมารดาและบิดาด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นทั้งหมดขอพิษจงหายนะนะกเรว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยนะตั้งสัจจะอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะนะสัจจะที่ที่สุวรรณสามประพฤตมานันและ ด้วยคําสัตย์คําจริงอันนี้ขอให้พิษหายเถอะเทพพัทิดาก็ทาสัต์จา ก, กิริยาว่าเราอยู่ที่เขาคันธมาศมาเป็นเวลานานเราไม่รักใครยิ่งกว่าสามารานี้เลยด้วยความสัตย์นี้ขอให้พิษจงหายไปหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ลุกขึ้นทันทีความเจ็บปวดก็หายไปหมดดุดหยาดน้าบนใบบัวฉะนั้นอวัยวะตรงที่ถูกยิงก็หายเป็นปกติจากสูทั้งสองของมานับ ของมานดาบิดาก็ปรากฏเป็นกปกติทันใดนั้นก็เกิดอัศจรรย์4ี่อย่างขึ้นในขณะเดียวกัน4อย่างคืออะไรหนึ่งพระโพธิสัตว์หายจากโรค 2. มานดาบิดาได้จักโศ ส, สามอรุณขึ้น4นะก็นะบอกว่าคนทั้ง4ก็กลับไปอยู่ที่อาสมพร้อมกันพระโพธิสัตว์นั้นก็กระทำปฏิสันฐานกับพระราชาแล้วก็แสดงธรรมถวายเนี่ยนะก็ยังมีใจเมตตาแสดงธรรมให้ฟังว่าข้าแต่มหาราช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 พระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอา น, อนนท์นะก็รับหลายบทบาทเหมือนกันนะเทพพธิดาก็คือนางอุบลวรรณาเท้าสากกะก็คือพระอนุรธธุทธะบิดาก็คือพระหมหากัะสปะมารดาก็คือพัทกาปิลานีสามะบัณฑิตก็คือพระโลกกนาเนี่มาดูคุณธรรมของพระโพธิสัตว์โดยย่อว่าการที่พระโพธิสัตว์แม้ถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษ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 ท่านเสียใจแค่อยาเรื่องเดียวเท่านั้นว่าเรานี่เสื่อมจากบุญคือการบำรุงมารดาบิดาที่ท่านเสียใจเสียใจอยู่เท่านี้ว่าแหมเสียดายบุญที่เกิดจากการเลี้ยงดูมารดาบิดาเหลือเกินแค่ น, นั้นแหละเมื่อโรคหายท่านก็ยังตั้งอยู่ในกรุณาและเมตตาแสดงธรรมถวายแก่พระราชาด้วยการให้โอวาตหลังจากนั้นก็ยังปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานจนได้ฌานแล้วก็เกิดในพรหมโลกเน